ฟังธรรมเทศนาต่อไปแต่ครั้งพุทธการท่านฟังเทศฟังธรรมตั้งจิตสงบเต็มที่ยอมได้ความเข้าใจการฟังเทศน่งฟังธรรมหนึ่งต้องทำใมสงบจึงจะเห็นธรรม ธรรมะเป็นของสงบมันจะเข้ากับธรรมได้ฟังด้วยความน้อมเอาธรรมะนั้นมาเข้าในตัวที่ท่านเทศนาก็ได้หรือว่าน้อมทำตัวเข้าไปใส่รรมมารนั้นก็ได้เพื่อหมายความว่าเื่อมาเข้ากับตัวนั่นเองความคิดความเห็นอย่าได้ส่งสายไปยังที่อื่น ตั้งจิตเฉพาะไว้ที่จิตพิจารณาเฉพาะจิตแล้วหากได้ฟังเทศฟังธรรมนั้นเทศนาไปธรรมาเทศนาเนะีย่ยมาปรากฏที่จิตของเรานี่ยเองสิ่งใดที่ท่านเทศไปแล้วนะ่ะก็จะได้รวบรวมเข้ามาไว้ในใจของเราอยู่เฉพาะใจนะั้ ใจเป็นของสำคัญมาก <c oughs> ถ้ามันมีใจอย่างเดียวแล้วคนเราก็ตายถ้ามันไม่มีใจอย่างเดียวแล้วเสี่งในผวงมดในโลกมาไรจึงให้รวมใจให้ได้ใจเป็นบ่อกเกิดของกิเลสทั้งหลายใจเป็นบ่อกเกิดของอารมณ์ทังพวง ใจเป็นบอ่อเกิดของความดีทั้งปวงมดเหมือนกัดความดีและความชั่วเกิดที่ใจเหมือนกันถ้าหาก็ดีเพราะมีสติควบคุมจิตไว้กลนคล้องจิตนาแกลนค้องเอาความดีไว้ในจิตของตนจึงรกักโกรธนความดีาการจับความชั่วให้ออกไปเสีย มีดีความดีเหลืออยู่ในที่นั้นการกลองควบคุมดีนั้นไว้ในใจของตนแล้วตั้งใจฟังโดยเฉพาะนั่นเอง <c oughs> ถ้าความชั่วอะไรเข้ามาในใจของเราเราไม่กลกั่นกรอกไม่กลั่นกรองเรจะเหลือดีความชั่วนะกรอง น, นั่นแหละ เป็นกองในใจของเรานะั้นหมดทั้งนั้นคนชั่วเป็นของมั่วหมองทำจิตให้พองใจไม่สามารถที่จะเห็นธรรมได้ธรรมคือความดีอันที่ปรากฏยู่ไม่ไม่ปรากฏเลยที่ปรากฏอยู่แล้วก็หายไป <c oughs> พระพุทธเจ้าทันเทศชนามากมายหลวงหลายในถาวรขวงหมดแต่สรุปแต่ว่ารวมค่วมแล้วพระองค์จะเทศเข้ามาในตัวของเราไปดูเถิดทำข้ามสองโดยเจ้าที่ไหนที่ไหนก็ไปดูเถิดรวมเข้ามาที่ตัวของเรานี่แหละคือใจของเรานี่แหละ เมื่อมีกายอยู่างประเทศกายด้วยพวกนี้ได้ใจอย่างเดียวประเทศเรื่ใจเรามีกายกับใจพระองค์นีเทศนาว่าบาหุราภวัตติเทศเดชะมารเทศขันหะดูฟังอนิจจังรูปเป็นของไม่เทีย่ยงเมทนานอนิจจา เวทนาคือความสุขความทุกข์หรือความเฉยๆมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันหายสูญแปรปวดไปได้สัญญานณตาสัญญาคือความจดจำหมายมันนั่นนี่ต่างๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงจําและลืมหายไปและฟุ้งซ่ขึ้นมาใหม่ ว <c oughs> <c oughs> ิญญาณนาั่นตาะวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราคือวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเองรู้สึกนู่นรู้สึกนี่อะไระต่างๆหลายอย่าง ม, ามันมัตก็งมปใช่ของเราลองคิดดูสิเป็นของเราได้ที่ไหน กายไม่ใช่ของเราแต่เราอาศัยอยู่อาศัยกายมีอยู่ถ้ากายนี่ใช่ของเราแล้วถ้าเป็นของเราจริงจังแล้วกายบอกมันอยู่ในอำนาจของเราสิไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายมันต้องได้ทั้งเป็นของเราแท้ๆอันนี้เราไม่ได้มีเลยบอกไม่ได้เลย <c oughs> อมองไม่ให้แก่ก็ไม่ฟังหรือบอกไม่เจ็บก็ไม่ฟังบอกไม่ให้ตายก็ไม่ฟังนั่นเต้นไปตามเรื่องของมันคือเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนะ น, นั่นแต่เที่ยงว่าไม่ใช่ของเราใ <c oughs> น, นลูกลูกก็ไม่ใช่ของเราแล้วนะที่ละมาสสายยานีอาสัยชัวยช่วอฟังเชื่อข่าว อยู่ไปไงั้นน่ะวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปขั้นถ้ามันไม่ไม่อยู่แล้วต้องต้องทิ้งต้องหนีจากมันไปให้ได้ไไดยังเรียกว่าอนัตตาเวทนาคือความสุข เมื่อได้ทุขมาแล้วเมื่อกลับเป็นทุกข์ไปอีกเมือ่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วรกลับหายไปอีกกลับสุขมาใหม่หรือเฉยๆของเฉยๆนะัก็เหมือนกันโดินซะมากมักมีแล้วไม่มักไม่มีความเฉยๆมีด้วยสุขกับทุกข์นี่แหละเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาที่นี่แหละทุกข์ก็จะจน ลองลองลองหอมลองให้ทุกจนไม่มีเป็นประโยนจกิคนควาทุกข์เหนั้นอ่ะมันไม่ใช่ของเราแต่แล้วก็ไปยึดถือทุกข์นั้นไว้ทุกข์ตัวใดยิ่งยึดถือเท่านั้นยิ่ ง, งทุกข์ตัวนั้นเราเข้าใจมันจะมันจะหายจากทุกข์ ยิ่งทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกทุกข์เพราะเราบังคับอะไรได้ไม่อยู่ดั่งหน้าของตนซุปก็ไม่อยู่ดั่งหน้าของตนเหมือนกันถ้าอยู่ดั่งหน้าของตนนะก็พักมันออกพอดีให้มันอย็นให้มมาในตัวของเราไม่อยู่ในตัวของเราทุกข์ก็ดีซุป ก, ก็ดีหมดเรื่องพักเข้าไปแล้วไม่มีอะไรทั้งหมด อันนี้ไม่ใช่อย่างมันไม่เป็นอย่างนั้นทุกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไม่ให้มันทุกมันก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็จำเป็นต้องยึดทุกเพราะยิ่งทุกข์ขึ้นใหญ่ขึ้ น, น, นมากกว่าเก่าจะมาจงว่า ความทุกข์มันน่ะมันบีบบังคับหัวใจของคนแทนสาอาหัรแต่ว่าคนเรานั่นแหละไปจับวัตทุไปจับวัตทุกมันก็มาบีบบังคับหัวใจของเราถ้าไปจับวัตทุกแล้วก็ปล่อยวางมดเรื่องเป็นอนัตตายิงจิตไม่เห่นของเราเลยนั่นแหละเป็นอนัตตาแค่แต่นี่มันไม่ใช่อนัตตาเนี่ะมันเป็นอัตตานี่ะถือว่าเป็นตนเป็นตัวของเราของกูของมึง จังทุกอย่าของเขาสัญญาก็เช่นเดียวกันจดจำอะไรต่งางๆหลายอย่างหลายเรื่องความคิดความนึกความสงสัยประสบอะไรต่างๆแล้วก็ไปเก็บมาไว้ในใจของตนเห็นคนโนองเขาก็เก็บมา ไม่ไม่ชอบใจพอใจอะไรต่างดีใจอะไรนั่ต่างชอบใจพอใจไม่พอใจอะไรนต่างเก็บเอาไว้หมดเก็บเอาไว้แต่กล้านตัวของเรานี่ยแหละนของไม่ดีเก็บเอาไว้เนี่ยแหละแต่กล้าใหญ่โตเขาถ่านคือไปเก็บอวสัญญา เก็บมาแล้วมันก็ทุกเดือดร้อนตอนเองแท้ที่จริงนั่นของเก็บมาคือของมาจากอื่นไกล<ม>ไม่ใช่ของในนั่นเก็บมาใส่ตัวของเราเอาของคนอื่นมาใส่ตัวของเราเรียวกว่าเจ็บมาแล้วก่มา คิดนึกมาปรุงมาแต่งนั่นล่ะเรียกว่าอนัตตาเหมือนกันถ้าหากเป็นอนัตตาจริงๆก็แล้วของนั้นก็พัดออกไปเสียน้ยามาคิดอยู่ในตัวของเราสองหมดเรื่องกันอันนี้เราไปเอาเหมือนแล้วสักทีอนัตตาได้ไปจับไปเอามาเป็นอัตตาติมันสุงมันตาม มันจึงในความเดือดร้อนมันเป็นทุกข์วิญญาณนางนตาวิญญาณตรงนี้นั่นเพื่อวิญญาณเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณก็มีปฏิสนธิวิญญาณ น, นั้นอย่างหนึ่งวิญญาณในขันธ์ห้าในอีกอย่างหนึ่ง ปฏิสนีิวิญญาณนี่คืออะไรที่ความเกิดเบื้องตน้นที่มาเกิดทีแรกของนี้เดียวเท่านั้นแหะไม่ปรากฏเป็นรูปเป็นลักษควปฏิสนธิเบื้องต้นปฏิสนทิเบื้องตน้ <c oughs> น ท่านบอกว่าเมื่อเกิดน้ําเกิดก่อนลูกเมื่อดับลูกเกิดดับก่อน <c oughs> คือเมื่อเกิดนะถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญาณไม่มีก็ตั้งไม่ติดสามเพราะว่าถ้าคอมิดาคออกขึ้นไม่ติดนันเรียกว่าน้ําเกิดก่อน เวลาดับ้วขันมันดับก่อน <c oughs> รูปดับก่อนเคือ่องไไม่ไม่ใช่เกิดไม่เกิดนะคือว่ารูปเกิดก่อนน้ำดับเกิดทีหลัง ทันเมื่อดับน้ำเกิดดับก่อนรูปเหยิบขึ้ดับทีหลังใช่ไหมครับว่า <c oughs> เมื่อเกิดขึ้นมานั้นปฏิทินที่ทีแรกอนนะ่ไหมต้องก่อนคือจำพวกธาตุติดต่อกันไะก่อนแล้วรูปเหยิบขึนเกิดในน้ำมันก็เกิดขึ้นมาทีหลังแล้วเขไปเคาะในที่นั้น ตูไปที่นี่หมายความละเอียดที่สุดของน้อยที่สุดของละเอียดที่สุดแล้วลูกมันไอ้ลูกเกิดขึ้นแล้วอย่างนาำแล้วเามันดักให้จัจิตคือน้ำแล้วค่อยมาเกาะถ้าหากว่านา้ำไอ้ลูกน้ำ ม, มันมาเกาะคือจิตมันมาเกาะเกี่ยวไม่เกาะไม่เกาะเกี่ยวลูกมันทังเกิดแล้วก็สายไปทั้งเกิดสลายไป <c oughs> นั่นในรูปติดวังเกิดก่อนส่วนดับแล้วค่นนี้นามดับก่อนคนเราเนี่ยเมื่อแตกดับสลายไปใจไปถึงไ ห, นหน้าก็ไม่จกักกายยังอบอุ่นอยู่บางทียังมีลมหายใจอยู่ตั้า แต่ความไม่รู้สึกนั่นความไม่รู้สึ ก, กมันหายไปแล้วนะหายไปแต่ความไม่รู้สึกนั่นจิตมันหายไปแต่ความไม่รู้สึกนั่น <c oughs> ปัจจิสดที่ไอ้ตัววิญญาณตอนนั้นน่ะท่านเรียกว่าปัจิสดที่วิญญาณส่วน วิญญาณในขันธหาไม่เก่อย่างนั้นมันเกิดแล้วเดี๋ยวนี้มีคขบมดอายุธนาทั้งหกคือความรู้สึกขึ้นในอายุนาทั้งหกมันเรียกว่าวิญญาณในขันหาขันเรียกว่าตรงนี้ขันเรียกว่า นิยานั้นอนัตตาท่ยนเรีตรงนี้ <c oughs> อนัตตาเพราะเหตุที่มันรู้ในะจริงต่างๆแล้วดับไปรู้ในอายตนาทั้งหงแล้วดับไปไม่ใช่รู้พร้อมๆกันเช่นรู้ทางตาทางหูทางจมูกร่างกายใจต่างๆมันรู้เพียงครั้งแรกเท่านั้น เ, เมื่อกระทบรู้เพียงครั้งแรกแล้วก็หายไป น, นั่นมันเรียกวิญญาณในขันหานพรามันหายไป น, นั่นเองความอยู่คงที่เองที่เดียวว่านาตาพระพุทธเจ้าท่านเทศนาโดยมากเทศนาในขันห้าเท่านี้แหละไม่ได้เทศที่อื่นที่ไกลเพราะขันหานี้ใครปี่เสธไม่ได้มีทุกคนตรงมีเทศของมีอยู่ ไม่ได้เทศของไม่มีพระองค์เทศทำนักฟวงวัดเทศของมีอยู่ทั้งนั้นแต่ตัวของเราไม่รู้ตักไม่เห็นตักว่าของมีอยู่คืออะไรบ้ า, าไม่รู้เรื่องพระองค์เทศได้ฟังก็ฟังไปงนั้นอ่ะไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเลยคว้าหาอยู่ไม่เห็นสักที คือไม่เข้าถึงใจนั่นเองเห็นอนจารย์มายะพูดในเบื้องต้นว่าเมื่อฟังทำต้องทําใจให้แน่วแน่เต็มที่เก่อนให้สงบเต็มที่เสียก่อนเมื่อคาวามสงบมีแล้วจะคิดทำขึ้นในที่นั้นนะ่ะปรากฏขึ้นมาที่นั้นพราะธรรมเป็นของสงบเพราะทําใเป็นของ ไม่วุ่นวาย <c oughs> ส่วนตัวของเรานะ่ยไม่ต้องพูดถึงอื่นเ่ะพูดถึงตั ว, ตวของเราเนี่ยก่อนแต่ละคนละคนเนี่ยมีครอบมดทุกคนแหละขันหานี่ไม่จะมาหาที่อื่นเหตุชนไหนพระองค์จะเทศขันหาก่อนเรับ ตัวขั้นห้าจะได้ชื่อว่าเป็นสมถะในตัวและความนั้นก็เป็นนิพพัฒนาในตัวขั้นห้าไม่ไม่เป็นเนสมถะในพัฒนาในนะั้นนิพพัฒนาใครเปเอาที่ไหนมามาที่เจรน่ะที่อื่นไม่มีหรับ เราตัวของเรานี่แหละสมถะคือพิจารณาในกายของเราเช่นพิจารณาเกศสารมาทันต า, นาทะน า, าการ่างๆแตะโจหรือพิจารณาทุกขะปติกูณเกิดทิมิตรเกิดภาพจิตใจแน่วแน่ในเรื่องนั้นเพลิดเพลินดีในเรื่องนั้นรุ่มหลงในเรื่องนั้น ตดอในเรื่องนั้นหรือหาไม่เกิดขาดจะต่างเพิ่มไม่เกิดนี้ไม่เกิดข้งตกโยกับพิจารณาเรื่องนั้นไม่พิจารณาเรื่องอื่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องการมันจึงเรียกว่าวิปนั้นจึงเรียกว่าสมถะคือความสงบ นี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยพวกพุทธเจ้าเทศนาเรื่องกายจากานี้วิปัฒนาเนถ้าหากจิตมีกำลังเพียงพอสามารถจะเกิดวิปัฒนาขึ้นในตัววิพัฒนากับพิ่อนารูปอย่างที่ว่าไม้ฟังอนะันเี่ะ ทั้นห้าคือรูปเวทนาสัญญาและขันธยสั ญ, ญ, ส ญ, ญเป็นอนัตตามันแปลกเหมือนกันนะอนัตตาใช่ก่อนถ้าเป็นนิพพานาต้องขึ้นอนัตตก่อนธรรมดาพูดกันเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เมื่อเกิ ด, ดนิพพานจริงๆต้องขึ้นอนัตตาใช่ก่อน เขาอนัตตาเป็นของชัดอนัตตาคือของเปิดจริงอย่างนั้นไม่เที่ยงอย่างนั้นในไม่ใช่ต้นของตนของตัวอย่างนั้นแล้วจึงเป็นของอนิจจังจังว่าหาอนิจจังคือไม่ใช่ของตนของตัวนั้นของไม่เที่ยงนั่นแหละ ไม่เที่ยงของไมใช่ตนให้ตัวคล้ายๆกันนั่นแหละนันีจังเป็นของของไม่เที่ยงขยงาวอลทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแต่ว่า <c oughs> ทำทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นอนัตตาไม่เที่ยงกับอ น, ศาศานัตตาอันนี้ ขางไม่เที่ยงอยู่นั้นนะ่ะเป็นอนัตตาเนี่ะไม่แล้วไหมหรอดสรส้างสิจรงว่าทนได้ยากแสนยากทนทุกข์ทรมานแสนสาหาัสในการที่เป็นอนันตตาเป็นเอ็นจัง่งอย่างคนเราเนี่ยเป็นทุกวันเนี่ยเนียเป็นของไม่เที่ยงคือมันแก่แชมป์รถทุดโซนนี่เป็นของไม่เที่ยง่ะเป็นอนันตตา นล้ว ก, ก็เป็นของไม่เที่ยงก็อยู่อย่างนี้แหละจะอื้ทนทุกทรมานอย่างเงี้ยเรียกว่าทุกขังเห็นนั้นพูดเลยจ้าจึงเทศนาตรงนี้และเทศอื่นไกลแต่ว่าพวกเราอย่าไปเจริยญาอยากจะเป็นอย่างท่าน อยาจะให้เกิดปัญญาจะเกิดที่พัฒนาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ถูกพนทางทางที่ถูกทางแท้ น, นต้องปฏิบัติอย่างเดียวให้มันลงอันเดียวมันเป็นนั่นไงก็ให้พิจารณานั้นมันอยู่ยงไงก็ให้พิจารณาอย่างนั้นให้ยินดีกับอยู่พระพุทธเจ้านั้นทเทศ น, นาว่าสันตุขีปัตมังทุธธ น, น, นงัง ความยินดีเท่าที่ตนมีอยู่นั่นนะกับที่ตนี้อยูนะ่ยินดีกับการที่เป็นอยู่นั่นนะตามมีสามเกิดของหลักนะั่นเป็นทรัพย์ก็เจอสูงสุดถ้าไม่ยินดีแล้วทับย์ในนอกก็เถอะมีรุ่นมีตังร้านมะก็ไม่ยินดีก็เยอทะยานดินหล่นมีตังร้อยล้ า, านก็ทะเยอะทะยานดินหลนก็เป็นทุกข์มาเรื่อยไปธรรมะทั้งปวงมด เมือ่อไหร่เรายินดีเท่าที่มีอยู่เป็นทรัพย์มันก็เสื่อสูงสุด ถ, ถ้าย่อพยายามดิ้นรนแล้วมันก็ไม่ได้หรอกคันท่ามันไม่ได้ถ้ามันได้มันได้เองั้นของที่มันมีอยู่นั่นแหละจังหวะมันเกิดเองเป็นเองนั่นเป็นของดีมากให้ยินดีกับมันนั่นแหละแตแล้วกัน ความยินดีกับเท่าที่มีอยู่นั่นมนค่อยเดินไปเองหรอกมนค่อยก้าวไปเองหรอกถ้ามีอยู่แล้วไม่ยินดีก้าวไปก่อนนั่นไม่ใช่ของจริงเหลียวไหลหมดนี่เราได้จะเทศนาเรื่องขันหาเป็นอย่างนี้แหละว่าลาฮาเวัเนจกคธา มันทั้งหามันเป็นทุกข์เ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อ้ยผู้ใดยอมเป็นทุกข์เ อ, อ้ยอย่าไปยุกออกมาเลยมาลาฮาโลเจปุกฮาโลถ้าพระองค์บอกทั้งขนาดนั้นเขายังไม่ยอมคนก็ยังทนทุกข์คนก็ยังทรมายคนั็ยังไปถือทั้งหาอยู่บาราธนังทุกขังโลกเก ทุกอันใดจะเสมอโดยการถือไม่มถือขาดนั่นเองแบดซาร่าอย่างยิ่งนิคิปติตวาทรุงพารังหากว่าทอดโทระปล่อยวางไม่ยึดถือมันมีอยู่ก็ไม่ยึดถือวางมดไม่มีของหนักเบาปลอดโปรสบาย มเทศนาฤทธิ์สุดตัวอ้ไม่อยังพาลังนาทิยะไม่ถือเอาอวขันอีกอืนอีกต่อไปนิช้าโตพรินิพุตโตหายอยากคนนะั้นหายอยากก็คือนิพพานไ้่มีความหิวเราไม่หิวู่อย่ายงที่อธิบานั่นแหละ มันยากคืออย่างอธิบายมันไม่ค่อยเดือดร้อนพระพุทธองค์ท่านหมดความหิวความอยากซะและ้จึงไป็นนิพพานถ้าวพุทธสงหลายก็หมดความหิวความอยากซะแล้วจึงเป็นนิพพานมันก็น่าจะหมดมันทนทุกข์ทรมาณเรื่องเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแต่ละภบแต่ละชาตินี่มันแสนสาหัสที่จะทรมาณ แต่พวกเรายังไม่เบื่อได้พากันหิวหัวอยู่ยังคิดอย่างมีอ ย, อย่างเปลี่นอยู่ยังค่อยเป็นทุกอย่างาละเทนานะตั้งขันตัวนี้ ล, ลงซะก่อนถ้าหาว่าตั้งขันไม่มีเครื่องรับรองขันชื่อขันห้า ภาษาก็ว่าขันนั่นธรรมดาขันต้องรับรองสิ่งของต่างดอกไม้กระีพระอะไรเครื่องอาหารการกินทุกจิ่นทุกอย่างต้องขันต้องตั้งขันไปนก่อนเพื่อรับรองได้ธรร ม, มา ก, ก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งขันลงไปแรกไม่ทราบจะเอาอะไรมารับรอง พิจนาใจจิตกำหนดใจจิตแล้วก็มาเปรียบมันก็ดช่องฟ้าอากาศเขาทําได้ทั้งสวนได้ไหมช่องฟ้ า, ากาปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกเรื่องน้อยบวุญญาตาิไม่ไดปลูกอะไรได้ปลูกก็ต้องปลูกลงดิน พิจารณาธรรมะรต้องพิจารณาที่กายออกมาปาศริติก็พิจารณากายอนาสติสิก็พิจารณากายเราจุกผ้าก็พิจารณากายพิจารณากายเราไม่ใช่อื่นไปเลยเมื่อพิจารณากายแล้วมันจิตมันยังค่อยอยู่มั่นของ ไม่มีมันมีคิดตั้งเจรณาที่คิดอย่างเดียวง่ายดอกแต่มันไม่นไม่แน่นหนาพิจารณาจะพิจารณากายจะพิารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้อย่างขันห้าที่อธิบายมาฝังเิรณาเป็นของปฏิกูลป่วยเน่า เจรณาเป็นของไม่เทียเ่ยงเจรณาเป็นทุกเป็นของทุกมันกว้างขวางพิจารณาเหล่าหนิเจรณาของไม่เที่ยงกับแสงตราพัตถีเกิดนในตัวของเราไม่เทียงทั้งหมดเจรณาเป็นทุกของตัวของเราก็เป็นทุกทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ กายเราเป็นอยู่นี่มันทุกททขท์ทั้งนั้นี่จะนาาเรื่งของไม่เที่ยงกตทั้งนั้นอ่ะทั้งมมดทั้งตัวของเราไล่เป็นอาการออกไปแล้วดูก่อนผมก็ไม่เที่ยงค้นก็ไม่เที่ยงเล็บฟั้นนังก็ไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งหมดเทาไว้วะส่วนใหญ่ๆที่มันเป็นทุกข์มากๆเช่นตาหูจมูกนี่นสายนี่เป็ต้นเจ้าของไม่เที่ยงแปรปวนคนทุกข์ประมาทของเหล่านี้แหละเจ้ามาเป็นเครื่องร้องรักคองทำ ม, มาครั้งเมื่อพิจารณาเห็นทุกข์แล้วเนี่ย พิญาณาไปพิญาณาไปไม่มีไม่มีที่สินดีสุดยอมสละลงไปเสียเดยินทุกข์เมื่อยอมสละยังเหลือใจจิตทุกข์นั้นหายห้มดยังเหลือใจจิตอันเดียวอย่าดยได้ทำอยาวเกิดกันในทีนั้น <c oughs> <c oughs> เรียว่าให้ตั้งลงที่กาตั้งลงที่ขันอะไรนี้แหละจะพิจารณาได้ก็เอาเธอเจ้านานาปานุสติก็เอาเจ้านาเราไม่แจ็คจะออกสลมก็ที่มีกายเนี่ยก็มีลมไม่แจออ็คเข้าหายใจออกลมเพราะกายยังมีอยู่เจ้านาพุโทโธพุโทโธเรือเฮ้พุโทโธก็เพราะมีกายเนี่ยเรายังค่อยนึกถึงพุโทโธได้ พญานาคือตีกับพญานาคายนี่แหละมันยังมันแตกขนันดาพญาน า, ามันเห็นของแตกของดับกูกไปไม่มันถือเป็นตนเป็นตัวไม่ถืออัตตาอย่างที่มีกายนี่พญานาคให้โูนหายไปเป็นดินน้ำไปลงไปเมื่อไยังเหลือแต่จิตจึงว่ากายนี่เป็นของสําคัญที่สุด เมื่อมีกายแล้วจะทำดีทั้งชั่วได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทำชั่วก็กายนี้ไปทำซีก็กายนี้ไปทำจะถึงมรรคถึงผลนิพพานกนต้องที่กายนี่แหละให้ตั้งสติสำกำหนดกายแห่งเดียวให้แน่วแน่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละเป็นสมาธิแล้ว อย่าไปคิดอื่นไกลอย่าไปส่งไปส่งมาแน่ๆในอารมณ์เดียวนั่นแหละเรียกว่าสมาธิทำเลย